บทสวดมนต์พิเศษสวดมนต์ภาษาไทยสรุปพระคาถาอุปปาตสันติโดยย่อพร้อมบทสวดมนต์ประจำวันเพื่อใช้สวดเวลาสั้นๆเรียบเรียงโดยโจโฉครับกราบพระสามครั้งการกราบหากไม่สะดวกให้พนมมือกราบได้นะครับเริ่มกราบพระ ข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาผู้ประเสริฐสูงสุดผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกราบข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณธรรม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 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นบุคคลอันประเสริฐยิ่งมีพระคุณอันยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าพรมเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวงเปลี่ยนไปด้วยพระมหาเมตตาทรงชี้แนะสั่งสอนเพื่อนำพาเหล่าสัตว์ออกจากกองทุกข์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมขอพระคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะ ความสุขความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วเป็นความจริงอันประเสริฐที่เที่ยงตรงต่อการทดลองพิสูจน์เป็นสิ่งที่ควรฟังควรน้อมเข้ามาในใจควรหมั่นทบทวนท่องจาและนามาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการไม่จํากัดบุคคลและสถานที่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเป็นทางสู่ความพ้นทุกข์เป็นทางสู่พระนิพพานขอพระคุณแห่งพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุข ความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้สำเร็จอริยมรรคอริยผลมีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเปี่ยมเมตตามักน้อยสันโดษ เป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ควรแก่การกราบไหวบูชาเป็นผู้ควรแก่การถวายทานเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่าขอพระคุณแห่งพระอัครสาวกพระอริยสงฆ์พระอริ ย, รรยบุคคลพระคุณแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น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 หากข้าพเจ้าเคยทำผิดแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาและสัตว์ทั้งหลายทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายโดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานได้โปรดงดโทษและอโหสิ ก, กรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังให้มากยิ่งขึ้นขอตั้งใจทำความดีจะเพียรสร้างกุศล เพื่อเป็นการไถ่โทษในสิ่งที่ล่วงมาแล้วตามเหตุและปัจจัยที่พร้อมยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทุกท่านโปรดจงรับและอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทำเพื่อถวายบูชาและอุทิศให้ด้วยเถิดขอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกจงเป็นพยานนับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพ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 ตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยเหตุแห่งการสํานึกผิดและความแน่วแน่ในการยึดพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดขอพระคุณแห่งพระรัตนตรยัยทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่า ง, างและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบ ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอตั้งใจรักษาศีลจะไม่ฆ่าไม่รังแกสัตว์และสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นจะไม่ลักทรัพย์จะไม่พูดปดพูดคําหยาบนินทาเสียสีจะไม่ผิดลูกเมียใครจะไม่กินเหล้าและเสพยาเสพติดขออโหสิ ก, กรรมให้กับสัตว์ทั้งหลาย ที่เคยทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามขอยกโทษให้ทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขความเจริญอย่าได้วนเวียนมาทำร้ายกันอย่าได้มาผูกเวีนผูกกรรมต่อกันอีกเลยบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วขออุทิศให้กับทุกท่านและขอให้ทุกท่านได้โปรดรับและร่วมอนุโมทนาหากท่านใดอยู่ในภพที่เป็นทุกข์ ขอให้เปลี่ยนไปเกิดในภพที่มีแต่ความสุขหากท่านใดมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอถอนการบนบานสารกล่าวขอถอนคำสาบแช่งคำสบทสบานการอาฆาตแค้นทั้งปวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคำอธิฐานใดๆที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว้ขอยกเลิกทั้งหมดขอให้ทุกอย่างเป็นโมฆะ จะไม่มีการผูกเวรผูกกรรมกับใครอีกต่อไปขอให้ต่างคนต่างไปดีมีสุขเข้าถึงมรรคผลนิพพานกันโดยเร็ววันทุกท่านเถิดด้วยเหตุแห่งการให้อภัยและการตั้งใจรักษาศีลขออนิสง์แห่งเมตตาและด้วยศีลที่ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาในวันนี้ชั่วโมงนี้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 ผู้ไม่เบียดเบียนสัรพสัตทั้งปวงขอได้โปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความปลอดภัยแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเท้ามหาราชนามว่าทตารัตรระผู้ปกครองคนทันทั้งหลายเท้ามหาราษณามว่าวิรุณหกะผู้ปกครองกลุมพันทั้งหลาย เท้ามหาราชนามว่าวิรูปัคขะผู้ปกครองนาคทั้งหลายเท้ามหาราชนามว่ากุเวระผู้ปกครองยักษ์ทั้งหลายเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้มีฤทธิ์มากมีบริวารมากเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าขอได้โปรดเมตตาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างต่างและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบ ความปลอดภัยแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถินขอพระโพธิสัตว์เท้าศักกะเทวราชท้าเวสสุวรรณพระสยามเทวาทิราชเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อหลักเมืองเทวดาประจำพระพุทธรูปต่างๆพระราชาข้าราชการผู้ทรงคุณความดีพระภูมิเจ้าที่พ่อปู่ฤาษีทุกท่านผู้บาเพ็ญเพียรทั้งในอดีตและปัจจุบัน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 ในการทุกเมื่อเทิดด้วยอนุภาพแห่งหมู่เทวดายักษ์คนทันกุมพันอสูรปีศาตรวิทยาธรรากศกและนาคราชทั้งปวงผู้อาศัยอยู่ในน้ำก็ดีบนพื้นดินก็ดีในอากาศก็ดีขอโปรโดมีจิตเมตตาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรโดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิดขอเหล่าเปรตสัมภเวสีและวิญญาณทั้งหลายจงมีความสุขในการทุกเมื่อขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวงในการทุกเมื่อเถิดด้วยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยการสวดนอบน้อมต่อเทพ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 และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอมหากุศลทั้งมวลอุทิตและบูชาแด่เทพเทวาทั้งหลายทุกภพภูมิท้ามหาราชทั้งสี่พระอินทร์พระพรมยมยักษ์ท้าเวสุวรรณขนทันนาคครุฑอสูรกุมภันพระสยามเทวาทิราชเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อหลักเมือง เทวดาประจำพระพุทธรูปเทวดาประจำตัวพระปู่ฤาษีพระภูมิเจ้าที่ในหลวงและพระราชินีพระมหาราชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทหารตำรวจข้าราชการผู้ทรงความดีปีศาจเปรตสัมภเวสีรวมทั้งวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วหมื่นจักรวาลอนันตจักรวาลขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมกันอนุโมทนา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 กราบพระคุณครูบาอาจารย์กราบพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเทวดาทั้งปวงและกราบขอขมาเจ้ากรรมนายเวรบทสวดมนต์พิเศษบทสวดมนต์ภาษาไทย เรียบเรียงโดยโจโฉติดตามดาวน์โหลดธรรมะมากมายและขอรับเสียงอ่านหนังสือธรรมะโดยโจโฉได้ฟรีที่เว็บไซต์โจโฉดอท j o z h o t n e t หมายเหตุสำหรับบทสวนในซีดีแผ่นนี้ทั้งหมดได้ทำเป็นไฟล์เอกสารไว้ในแผ่นซีดีแล้วนะครับ สามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์แล้วนาไปปริ้นออกมาอ่านได้เลยเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคนที่ต้องการนําคุณของศีลมาอธิษฐานนะครับสําหรับคนที่ยังไม่สามารถถือศีลห้าได้บริสุทธิ์ก็ให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่เราสามารถถือจนบริสุทธิ์ได้จริงๆสามารถใช้มานำอธิษฐานได้เหมือนกันนะครับ และสินที่คุณรักษาเพียงข้อเดียวจะทําให้คุณมีกําลังใจและรักษาข้ออื่นได้เองในภายหลังและสําหรับท่านที่ต้องการสวดให้ใครเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงคําว่าแก่พวกข้าพเจ้าเป็นแก่ท่าน น, นั้นๆที่เราต้องการสวดให้ได้เลยนะครับเจริญในธรรมการทุกท่านนะครับโจโวโฉตุลาคมพุทธศักราช2553